มหาบัวยานสังบรโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456โดยบิดานายทองดีและมารดานางแพงได้ให้มงคลนามว่าบัว คนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมดส6คนในจำนวนพี่น้องของท่านมีท่านผู้เดียวที่ดำรงอยู่ในสมณเทศและกอบด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่เคารพสักการบูชา ของชาวพุทธเราอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศทิ่นฐานบ้านเดิมต้นตระกูลเดิมของท่านอยู่ที่จังหวัดมหาสา ร, รคามต่อมาพากันอพยพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในครั้งนั้นได้ตามกันมาหลายบ้านหลายครอบครัว ด, ด้วยกันกระทั่งมาพบสถานที่อันเหมาะสมจึงตั้งบ้านเรือนขึ้นและเจริญสืบมา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 มีเหตุมาจากแม่น้ำชิงท่วมถ้าเวลาท่วมพอท่วมซะจนไม่มีอะไรจะกินมันจะตายทนไม่ไหวก็เลยมาหาทําเล ด, ดูที่ตรงไหนเลยมาได้ตรงนี้เลยเอาตรงนี้ถ้าว่าแหลงก็แหลงไปเสียถ้าว่าท่วม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 สภาพความเป็นอยู่สมัยนั้นสมัยก่อนณนะบ้านตาดนี้เป็นป่าดงดิบมีทั้งต้นยางตะเคียนทองประดูดและต้นไม้อื่นๆหลากหลายพันมากทั้งปริมาณและขนาดสัตว์ป่าจึงมีชุกชุมไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเสือช้าง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 จึงน่าจะถูกถ่ายทอดมาถึงเด็กชายบัวหากสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยหนักไปในทางใดทางหนึ่งจริงการอยู่ท่ามกลางปลาเสือดงช้างและสัตว์ร้ายนานาชนิด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 ราคาสามสิบบาทนี้ถือว่าแพงมากนะส่วนมากจะสิบห้าสิบหก 15, 16, ไปถึง2ี่สิบบาทที่เรียกว่าควายตัวนี้สวยงามมากคุณตาก็จะซื้อมาขาย <S <S พอขายได้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรได้มาเท่าไหร่ไม่รู้หาขายอยู่อย่างนั้นตลอด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 แม่นี้เป็นนักประหยัดยกให้เลยคุณตามอบเงินให้แม่หมดเพราะมีลูกสาวคนเดียวส่วนคนุณยายตายตั้งแต่แม่ยังเป็นเด็กอยู่นี่ละ่ะมรดกจึงมาตกทางนี้มากแม่จึงได้มีฐานะมาตั้งแต่นน้นแต่ไม่ให้ใครทราบง่ายๆนะทางนี้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 แวแวแต่ทารกว่าเป็นคนจริงในขณะที่แม่ตั้งขันท่านอยู่นั้นแด่ปรารกขึ้นในครอบครัวและวงสาคณะญาติว่าธรรมดา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 สารรักของตาเมื่อทารกคลอดออกมาปรากฏว่ามีสายรกภาเชวียงบ่าออกมาด้วยคุณตาเห็นดังนั้นจึงทำนายเป็นสามอย่างว่าหนึ่งสายบาดถ้าเป็นนักปราช ก็จะเหยียบแผ่นดินสะเทือนสองสายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนิชำนาญหรือลั่นป่าสามสายโซ่ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตรางแตกตอนออกจากท้องแม่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 เมื่อหลานเติบโตขึ้นคุณตาก็จะมีอุบายซ้อนหลานอยู่เนืองๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเห็นหลานน้อยกินมยมหรือกระท h o เข้าไปแล้ว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 ทางอีสานในตอนนั้นความรู้ทางภูชนาการยังไม่ค่อยเจริญนักชาวบ้านส่วนใหญ่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 แต่ก็ไม่ยอมกลืนยังคงอมไว้เหมือนเดิมเหตุการณ์ในตอนนี้คุณตาแอบสังเกตเห็นโดยตลอดพอคำที่สามเท่านั <selective> ้นคราวนี้หลานอาเจียนแทบเป็นแทบตายชนิดในท้องมีอะไรเท่าไหร่ก็เอาออกมาหมดเปลี่ยงเลยถึงตอนนี้